ถ้าไม่มีตาให้เห็นนะเราจะนึกหรืออะไรมันเป็นของเราบัางอ๋ไม่มีไม่มีหูให้ได้ยินนะเราจะรู้ว่าอะไรมันเป็นเราบาั่งของเราอ่ะนะโดยเฉพาะอสมมติว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นเราสิ่งใดที่เป็นโคโจรของสิ่งเหล่านี้นะของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นของเราทันทีเช่นทำไมลืมตามองเห็นอันนี้เออนี่สมบัติของเรานะสิ่งที่เราได้ยินเอออันนั้นก็ของเรานะ นี่อาหารที่เรารับประทานอันนี้ก็ของเรานะเพราะฉะนั้นก็พอมีอายตนาภายในที่สำคัญว่าเป็นตนของตนจึงมีนนะแต่ถ้ากำหนดแยกแยะทิจารณาถึงว่าตาเนี่ยมีองค์ประกอบเท่าไหร่หูจมูกเลนกายหรือใจเนี่ยคืออะไรถ้ามีการวิเคราะห์ทาวิจัยโดยละเอียดตนก็ยังไม่มีแล้วของตนจักมีมาแต่ไหนนะก็ตนยังไม่มีเลยนะเอาอะไรเป็นเราละ่ะ ส่วนเกี่ยวกับเรื่องศัพท์เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องศัพท์นั้นอัจฉติศัพท์มีอยู่สี่ความหมายคือโครจรัศโครจรัอชะตะัตตานิยะนิยกัตชตะอัจฉตะัพชตตเนี่ยนะแล้วก็วิสยัชะตะมีอยู่สี่ประการด้วยกันซึ่งซึ่งในที่นี้เนี่ยมีความหมายในในยะที่สามเหนะคืออัจฉรชะตะัชะตตาอัจฉตะอัจฉตะศัพนั่นแหละ เรีว่าภายในภายในเนี่ยนะส่วนที่เหลือนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องศัพท์แสงอ่ะนะเขาจะไม่ไม่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องศัพท์มันนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปําว่าอัจฉตะในที่นี้ก็คือภายในภายาานะในภายในอ่ะนะ่นะอัจฉตะอัจฉระนะในภายในภายในนะนะั่นแหละคําว่าวัตถุนานัเตได้แก่ความเป็นต่างๆแห่งวัตถุทั้งหลายอธิบายว่าในวัตถุต่างๆ ในที่นี้ถึงแม้ภวังคจิตอันเป็นปัจจัยแห่งมโนวิญญาณคือชาวณะท่านก็เรียกว่าเป็นวัตถุเพราะเป็นฐานที่เกิดดุดหมวดห้าแห่งระษาธามีจักู่ปษาสาตะเป็นต้นแม้อวัชนะจิตก็พึงทำให้เป็นที่อาศัยของวัตถุนั้นได้เหมือนกันก็ตัวตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นวัตถุที่เป็นรูปใช่ไหมถ้าเป็นน้ำล่ะวัตถุที่เป็นนามก็เรียกว่าภวัง ภวังนี้นะัเป็นวัตถุที่เป็นเป็นนามคือวัตถุในที่นี้อนะก็หมายถึงทวาร น, นั่นเองวัตถุในที่นี้ลักษณะของทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจตานี้เป็นทวารของจิตกี่ดวงตาเนี่ยเป็นทวารของจิตนะนะเราคือถ้าเราวิธีคิดเนี่ยนะถ้าเราเน้นไปที่จาตัวเลขเลยทันทีเนี่ย เราจะไม่ค่อยได้ความเข้าใจอะไรแล้วก็ต้องหัดมาคิดนะนะว่าเออระหว่างการเห็นจากคูวิญญาณนะก็อเอาวัชนะก่อนใช่ไหมหนึ่งจับครูทวาราวัชนะเห็นเห็นสีที่ดีกับเห็นสีที่ไม่ดีอะไรก็สองคือจับคุูวิญญาณพอเห็นก็รับอารมณ์ต่ออันนั้นก็เป็นสัมปาติชนะไตรตรองอารมณ์นั้นต่อก็เป็นสันติรณะ วัพนะก็ตัดสินอารมณ์ก็อีกหนึ่งนงแล้วก็ชาวนะมีเท่าไหร่ถ้าสีที่ดีสมมุติถ้าสีที่น่าปรารถนาโลภะแปดสีที่ไม่น่าปรารถนาโทสะสองไม่พิจารณาโมหะเป็นกุศลได้ไหมได้ก็แปดถ้าเป็นพาธหันก็เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นชาวนะเท่าไหร่ก่อนแล้วก็พาธฐนอีกก็มีอีกอย่างคือ ห้าสตุปาทะเป็นเท่าไหร่นะยนะี่สิบเก้าพราะฉะนั้วนายี่สิบเทระกันชาวนะยี่สิบเก้า 29. ถ้าเป็นอภิญญาก็ไม่นับใช่ไหมเพราะอภิญญาไม่เกิดในปัญจทาาวารวิถีเพราะฉะนั้นอภิญญาก็ไม่เรียกแล้วอะไรอีกตถ า, าตถารมณะอีกสิบเอ็ดตถารมณะอีกสิบเอ็ดซึ่งตถารมณะก็หักไอตัวสันติรณะออกไปก็เหลือแปด นะก็รวมกันรวมกันเนี่ยก็จะเท่ากับว่าจิตที่เกิดในจักขคูทวารนิถีเป็นเป็นอย่างไรเพราะตาเนี่ยจึงเป็นทวารเป็นประตูของจิตเหล่านี้ถ้าพูดจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเหล่านี้แสดงแล้วถ้าเรามาฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆนะตัวเลขเราจะจำไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรนะตัวเลขจำไม่ได้ไม่เป็นไรว่ามันมีเท่าไหร่ประกอบไปด้วยเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น อันนี้สง์นั้นนอกจากข่มคนอื่นก็ยังนึกไม่ค่อยออกว่ามันมีมากเท่าไหร่เห็นว่าเออเราจำดีกว่าคนอื่นแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าความรู้เหล่านั้นเอามาใช้จริ ง, รงๆว่ะเช่นเห็นอะไรก็เอามาคิดวิชานี้บ้าง น, น้นนะ่ะตรงนั้นแหละคือประโยชน์ที่สุดถ้าเราแยกจิตแบบนี้ได้บ่อยๆนะว่าเออจิตพวกนี้เนี่ยอจกักขุทวาราวัชนะจกักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติระนะโวทัพนะปราศจากราคะใช่ไหย ถ้าจะเจริญจิตตานุปัสสนาต่อไปก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะจิตปราศจากราคาปราศจากโทสะปราศจากโมหะแล้วก็ปราศจากโสภณธรรมอย่านีนเป็นต้นท่า น, นเราสามารถเอาเรื่องนี้มาเจริญจิตตานุปัสสนาเป็นต้นต่อได้จากทวารตาเนี่ว่าจิตอะไรไหลมาจากทวารตาบ้างทีนี้จิตอะไรไหลมาจากทวารไหลาตามทวารหูบ้างทวารจมูกทวารลิ้นทวารกาย อั น, นเราก็เริ่มมาคิดแบบนี้บ่อยๆเราก็จะเอามาเจริญได้จริงๆในพระสูตรเนี่ยจึงไม่แสดงธรรมะประเภทกี่ดวงเป็นตัวเลขออกมาจะไม่ค่อยเช่นพระองค์บอกว่าจิตมีราคากะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคาก็ปราศจากราคะเพราะเพราะว่าผู้ใดกําหนดได้เท่าไหร่อันนั้นเป็นปัญญาของเขาว่าเขาทําได้เท่านั้นจริงๆก็จะบอกแนวทางบอกตัวอย่างให้ในทวารอื่นๆก็ลักษณะเดียวกัน การเกิดขึ้นของจิตเจตสิกเหล่านี้เนี่ยนะถือเอาทาวารเป็นหลักอย่างเช่นถ้าตาไม่มีนะจิตเจตสิกทั้งใช่หกเนี่ยหมดสิทธิ์เลย46ดวงนี้หมดสิทธิ์เกิดเลยนะ ถ, ถ้าตาบอดถ้าหูนวกจิตเจตสิก46ก็หมดเลยเนะในบรรดาทาวารที่สําคัญหนะ้าตากับหูนี่สําคัญที่สุดเพราะเป็นทาวารให้มหากรุสเนี่ยเกิด มาคุศลประเภทเกิดจากการฟังธรรมเป็นต้นเกิดจากการอ่านถธรทำเห็นท่าอริยะเนี่ยนะสำคัญต่อเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่ออริยมรรคมากที่สุดที่พระองค์บอกว่าจงฟังคือมณสิการทวารหูให้ดีเพื่อจะได้ฟังฟังธรรมหมายถึงอาวัชนะเนี่ยอาวัชนะที่เสียงชาวนะเนี่ยติดตามเนื้อเรื่องกับทุกคําทุกคําที่ฟังนะแล้วมนโนทวาราวัชนะก็ มนโนทวารวิถีก็ตรึกตามที่ฟังเราเคยได้เห็นนะคําว่าจงฟังเนี่ยนะกับจงใส่ใจให้ดีเนี่ยนะคําว่าจงฟังก็คือโสตะทะวารวิถีจงใส่ใจให้ดี ม, มนโนทวารวิถีโสตะทะวารวิถีรับแต่เสียงเพราะฉะนั้นติดตามเสียงให้มันทุกคํำนะบางทีเนี่ยเขาก็พูดแต่เราคิดเรื่องอื่นอยู่ก็ไม่ได้อวัชนะพยายามอาวชนะให้ทุกคําเข้าไว้ มันมีอยู่สามเนรรูปหนึ่งเขาเนี่ยให้ไปฟังธรรมแล้วฟังธรรมเนี่ยเนรรูปนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะเขาก็ถามว่าวิธีฟังธรรมเนี่ยทำยังไงก็บอกว่าทำอย่างนี้สิให้มันได้ยินทุกคาก่อนลวกันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรอ่านะก็บอกว่าวิธีฟังธรรมที่ที่ได้ประโยชน์ที่สุดเลยนะให้ได้ยินทุกคาก่อนเราแน่ใจนะว่าเราฟังแล้วได้ยินทุกคาหรือไม่ ก็ตอนที่คิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้ยินทุกคําอยู่แล้วให้ได้ยินทุกคําก่อนให้ชาวนะเนี่ยมันรับไว้ก่อนเป็นอุปนิสัยเดี๋ยวตอนหลังนะั้นมโนทวารวิถีจะเกิดขึ้นมาทําทํากิจรู้ความหมายนั้นๆขึ้นเนี่ยนะหรือเห็นอ่านหนังสือก็เหมือนกันให้มันเห็นทุกทุกพยัญชนะไปก่อนเนี่ยนะไม่รู้เรื่องค่อยว่าอีกทีเนี่ยนะเดี๋ยวสะสมไปก่อนเดี๋ยวไม่นานเถอะเนี่ยนะส่วนที่เหลือเนี่ยนะัทวารตากระหูเนี่ยเป็นทวารที่เป็นอนุตริยะถ้าเห็นท่าระยะก็เรียกว่า ทัาศนานุตตรยะถ้าฟังทำก็เป็นสาวนานุตรยะเนี่ยนะชวนที่ที่เหลือทวานจมูกล้นกายเนี่ยเอาไว้เพิ่มกิเลสอันเดียวเ น, นีไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะนถามปวดหัวมีประโยชน์ตรงไหนปวดเขานี่มีประโยชน์ตรงไหนบ้างเออค่อมีประโยชน์หรอกเนี่ยนะอย่างลิ้นนะถ้ามันรู้รส ถ, ถามจริงๆมันมีประโยชน์ตรงไหนบางทีอาหารที่อร่อยไ ม, ไม่ได้มีประโยชน์เสมอไปใช่ไหมมันเชื่อลิ้นมากกว่าก็ได้ จมูกเชื่อมากก่อนไปได้เนั้นเขาบอกว่าทวารที่พรมเขไม่มีอ่ะเขาเขาว่ามันไม่มีประโยชน์พรมก็เลยไม่เอาส่วนใจเนี่ยนะอันนี้หมายถึงภวังภวังก็คือองค์แห่งภพใช่ไหมองค์แห่งภพอ่ะ น, นะว่าภวังอันนี้นี่ที่เป็นองค์แห่งภพนั้นอ่ะเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อมโนทวารอาวชนะและชาวนะคุณภาพของภวังเนี่ยเป็นตัวกําหนดชาวนาด้วยไนงะ อย่างเช่นถ้าผวังเป็นอาเหตุกะชาวนะเนี่ยโดยมากเป็นกุศลก็เป็นยาณวิปปยุทธถ้าจะเป็นกุศลก็เป็นยานวิปย ป, ป, ยวปยุทธแล้วก็เกิดน้อยมากถ้าผวังเป็นทวิเหตุกะหรือติเหตุกะก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ผวังที่มีคุณภาพจริงๆเป็นภวังที่เป็นติเหตุกะทีนี้โดยทั่วๆไปเนี่ยถามว่าวิเคราะห์ได้ยังไงว่าผวังเป็นติเหตุกะ อ, นะอันนั้นเขาเขามีสูตรยังไงวิเคราะห์เขาขอบอกว่าผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหติตกะเนี่ยนะเขาดูจากรูปดูจากตาหูจมูกลิ้นกาเนี่ว่าผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหติตกะเหมือนกับเอาช่างเด็กๆมาวาดรูปะนะรูปควรจะเป็นยังไงรูปก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมพวกเรียนยังไม่ทันจบกําลังเริ่มเรียนเนี่ยนะพวกทวิเหตุนําเกิดก็เหมือนกับว่าช่างวาดรูปที่ไม่ค่อยฉลาดนักวาดรูปออกมา พันพวกติเหตุกะโดยทั่วๆไปนะค่อนข้างจะบริบูรณ์ทั้งรูปแล้วก็โขคะโดยมากเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีส่วนน้อยที่เกิดในตระกูลต่ำและหัวดีฉลาดอย่างคนกันทานที่ฉลาดคล้ายๆด็อกเตอร์เอ็มเบดก้าเนี่ยนะเคยได้ยินบ่อยไหมมีไม่มากมีประธานาธิปดีอินเดียคนที่เพิ่งสละตอนนี้นะอันนั้นเขาเขาก็คนละวันนะ คือเขาไม่ใช่จันทรานแบบพูดถึงอินเดียก่อนอินเดียเนี่ยยังเนี่ยประธานาธิบดีของอินเดียคนที่แล้วเนี่ยนะคนที่ผ่านไปยกๆเนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นคนวันณะจัทนทานที่ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ด็อเอรมเบก้าเนี่ยที่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญให้อินเดียเนี่ยพวกนี้ที่จบด็อตอร์หลายสถาบันเนี่ยกนะ็มีอยู่ไม่กี่คนอ่ะที่เกิดในตระกูลระดับนั้นนะที่เหลือมีปัญญาเบะมือ ก็ฉลาดอยู่เท่านั้นซะส่วนใหญ่ฉะนั้นผู้ที่ติเหตุกะปติชนที่โดยมากนะ่ก็ดูจากที่ที่รูปที่อะไรทั้งหลายแลละเนี่ยนะเมื่อถามว่าคนเอาชาวบ้านทั่วๆไปเลยนะมาเรียนเนี่ยถามว่าจะเรียนเก่งเท่ากับคนที่พวกฐานะการเป็นอยู่นะมันบอกด้วยเหมือนกันนะว่าเป็นผลของอะไรนำเกิดนะมันก็เป็นฐานแต่คยๆที่ผู้การว่านะบอกว่าคนมีบุญส่วนใหญ่เนะี่ยอยู่ในเมือง ในเมืองเมืองของที่เมืองนั้นๆเลยนะมันเป็นที่รวมของคนมีบุญอยู่แล้วละ่ะนะถ้าอย่างสมมุติฐานในประเทศไทยเนี่ยถามว่าทั้งประเทศเลยนะศูนย์รวมของคนมีบุญอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในกรุงเทพถ้าเป็นต่างจังหวัดนะนะศูนย์รวมของเราเวกนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในก็อยู่ในเมืองถ้าส่วนใหญ่นะชนบทจริงๆเนี่ยถึ ง, ถ, งถึงเมืองถึงไปเผยแพร่อะไรจริงๆนะถึงกระทุ่มขนาดไหนก็ไม่ค่อยได้ผล นนพอไประดับหนึ่งระดับหนึ่งมันมันเขามาไปแสดงธรรมแม้กระทั่งนนทะตามชาวป่าชาวเขาไปมาหมดแล้วอย่างมากเล่าได้ชาติกันนะเรื่องลึกกว่านั้นเริ่มชักแย่แล้วก็พา น, น, นเขาเขาไม่มีอัจยาศายจริงๆเขาไม่มีอัจยาสายบางทีเขาไม่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยเขาได้ยินแค่ว่าอยากฆ่าสัตว์นะเขารับไม่ได้แล้วเขาต่อต้านขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเป็นคนมีบุญเนี่ยจะกลับเออทําไมเขาจึงพูดอยางนั้น คือมันจะเริ่มเอะใจใช่ไหมมาคิดน่อยไก็จะเริ่มมาคิดจะเริ่มมามาพิจารณามาอะไรเพราะนนั้นฐานคืออเหิตุกะเนี่ยตัวผวังเนี่ยสำคัญมากว่าชาวนะควรจะเป็นที่ใดควรจะเป็นอะไรเนี่ยนะแต่ถึงคนตามชนบทนะถ้าเป็นปลุ่มติเหตุกะปะฏิสนธินะโดยมากพวกนี้จะตะกุยตะกายไม่ยอมอยู่ชนบทตลอดไปเนี่ยนะก็เริ่มเข้าเมืองแล้วนะก็จะถือว่าที่นั่นเป็นแหล่งของ ชาวนะแหล่งที่จะทาให้มีสติมีปัญญาเพราะนักพวกปฏิสนธิประเภทอติเหตุการนี่จะเข้าเมืองกันเพราะฉะนั้นจริงๆในเมืองก็ไม่ใช่ว่าคนมีบุญก็ถึงปฏิสนธิในตัวเมืองไม่ใช่นะก็ต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในเมืองก็ได้ น, นะแต่คือว่าโดยรวมๆก็มาอยู่ในถิ่นที่ที่มีการพัฒนาที่มีการศึกษา